วันนี้มีคนจีนมาฟังเยอะนะคนจีนเขาสนใจการปฏิบัติสนใจการปฏิบัติแล้วก็ลำบากแต่แรกเลยธรรมะมันอยู่ที่เมืองไทยต้องมาเรียนภาษาเป็นอุปสรรคพวกเราคนไทยได้เปรียบ เกิดมาก็เจอศาสนาพุทธแล้วเจอวัดเจอพระเจอตู้คำีแต่ไม่สนใจ <c oughs> มันเบนกรรมตรงนี้แหละคนอื่นอยู่ไกลเขาสนใจคนอยู่ใกล้ๆคุ้นเคยไม่สนใจโบราณเขาบอกว่าเหมือนกบเฝ้ากอบัวกบ อยู่กับดอกบัวเลยเฝ้ากอบบัวอยู่ไม่ได้กินน้ําหวานหรอกพึ่งมาจากที่อื่นมากินน้ําหวานความจริงกบเรากินพึ่ง <c oughs> เอาดอกบัวมาเป็นเหยื่อล่อเหมือนพวกเราบางคนนะเอาศาสนาเอาธรรมะเป็นเหยื่อล่อหาประโยชน์อย่างอื่นที่พวกกินพึ่งพวก พึ่งมันมีศรัทธามันบินมาจิตมันเสเล่ยตอนหลวงพ่อไปภาวนานะเราไปหาครูบาอาจารย์นะงทีข้าวัดท่านพระส่วนใหญ่พระปัชากจะรู้จักท่านก็จะร้องแบบโ้ยพึ่งมาแล้วไอ้พวกพึ่งมาแล้วเราเป็นพวกกบท่านเหล่านั้นท่านรักษาครูบาอาจารย์อยู่ แต่ไม่ค่อยได้ภาวนาะเราเป็นชาวบ้านนานๆไปหาที่หนึ่งเราไปไกลเราไปลำบากเราต้องตั้งใจมากนี่คนจีนมาไกลเลยตั้งใจมากพิเศษเลยของเราอยู่ใกล้ๆก็ตั้งใจน้อยหน่อยบางคนก็อยากมาฟังเทศที่สาราลูชินแต่ไว้ก่อนเดือนหน้าก็ได้ เดือนหน้าไปเรื่อยๆบางคนชาตินี้ไม่ได้ฟังแล้วไม่อยู่ที่จะฟังแล้วธรรมะเนี่ยเราจะปล่อยเวลาให้จริ้งเปล่าๆไม่ได้นะถ้าเราถือว่าหาเมื่อไหร่ก็ได้ค้นเมื่อไหร่ก็เจออยากฟังเมื่อไหร่ก็ฟังได้เราเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยเพราะเราไม่ได้บรรลุธรรมะด้วยการฟังเอาไม่ใช่ฟังเมื่อไหร่ก็ฟังได้ไอ้นั่นอะจริงแต่ถ้ายิ่ง ทอดทิ้งเวลาให้นานออกไปนะความสามารถในการปฏิบัติของเรามันลดลงตามวัยเด็กๆของพารภาวนา ง, ง่ายธาตุขันมันยังแข็งแรงอยู่สติปัญญามันว่องไวอายุเยอะยขึ้นนะร่างกายก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงจิตใจก็ฟุ้งซ่านง่ายนั่งเฉยๆก็หลับเดินจงกมรมก็เมื่อยทำไม่ค่อยไหว งั้นฟังมเมื่อไหร่ก็ฟังได้นะแต่จะรอไปปฏิบัติตอนแก่เนี่ยไม่ได้หน้าที่ของเราต้องเริ่มปฏิบัติตั้งแต่อยู่นี้เลยไม่อย่างนั้นถือว่าประมาทมากเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าชีวิตเราจะยาวสักแค่ไหนพุณเจ้าท่านบอกว่าเป็นคนประมาทท่านบอกไม่มีใครสามารถผลัดผ่อนความตายได้ความตายมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้ งั้นถ้าเวลาเราจะตายแล้วเราพนึกเสียใจทีหลังเะ ว, ว่าแม้รู้อย่างนี้ภาวนาซะตั้งนานแล้ว น, นั่นไม่เกิดประโยชน์เลยงั้นเมื่อเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วนะต้องเริ่มลงมือปฏิบัติทันทีบางทีจะบอกว่ามาฟังเดี๋ยวจะกลับไปปฏิบัติที่บ้านก็ประมาทล้วอาจจะไม่ถึงบ้านตายก่อนก็ได้แล้วเริ่มปฏิบัติเมื่อไหร่เริ่มเดี๋ยวนี้เลย ฟังธรรมะไปก็ฟังด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่ต้องตั้งใจฟังจําทุกถ้อยคำหรอกเวลาที่เราฟังธรรมะนะเราทําใจสบาย ๆ, ๆรู้เนื้อรู้ตัวอย่าให้เคลิมไปอย่าไปนั่งสมาธิจนเคลิมลืมตัวเองไปมีความรู้สึกตัวไปตามธรรมชาติตามธรรมดานี่เองแล้วฟังไปตอนไหนที่กระแสธรรมะที่ครูบาอาจารย์แสดงนะมันไม่ได้ตรงกับของเรา ใจเราก็ยังดูกายดูใจของตัวเองอยู่ตอนไหนที่กระแสรธรรมะมันมาตรงกระใจเอาเราในจุดที่เราติดขัดอยู่หรือในจุดที่จิตมันต้องการรู้จิตมันจะเกิดความตื่นตัวขึ้นมาฟังของมันเองเนี่ยหลักของการธรรมะฟังธรรมะภาคปฏิบัติไม่เหมือนฟังอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยจดเลคเชอร์จดเอาใว้ทุกถ้อยคท่องเอาไว้ได้ก็ไปสอบได้อะไรเงั้ การฟังธรรมะเราฟังด้วยความรู้สึกตัวของเรานี่แหละนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปอันนี้หลวงพ่อเรียนอย่างนี้มาจากครูบาอาจารย์นะนเวลาเข้าไปหาครูบาอาจารย์เนะี่ยเราไม่ได้เตรียมโพยเอาไปว่าเราไปถาม15ข้อมี20สิข้อก็ไปคืนไปควักกระดาษออกมานะท่านไม่คุยด้วยแล้วอย่างนี้ท่านถือว่าเรียนปริยัตแล้วไม่ใช่เรียนปฏิบัติเราไปนั่งอยู่กับท่านนะ ถึงเวลาท่านก็จะสอนสอนธรรมะบางทีถ้าไปหลายคนท่านก็สอนไปเรื่อยๆตรงไหนที่มันสอดคล้องกับปัญหาของเราหรือถึงจุดที่เราจะต้องใช้ธรรมะนั้นจิตมันจะเกิดความตื่นตัวขึ้นมาฟังจะลิขึ้นมาตื่นตัวขึ้นมาฟังมันจะรู้เรื่องจะรู้เรื่องอย่างดีเลยตอนไหน ที่กระแสธรรมะนะั้นไม่ใช่ของเราของคนอื่นเขาอะไรเงี้ยเราก็ดูกายดูใจของเราไม่เสียเวลาเปล่านะการปฏิบัตินั้นเราเว้นวักไม่ได้ถ้าเราเวน้นเราก็ถือว่าเราประมาทอยู่เพราะในขณะที่นั่งฟังธรรมเนี่ยก็ต้องเริ่มลงมือปฏิบัติเลยนะไม่ใช่ฟังไว้ก่อนแล้วจะจําไว้แล้วเอาไปปฏิบัติทีหลังวันหลังอาจจะไม่มีวันนี้มี แล้วใช้วันนี้ให้เต็มที่ก่อนมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะอย่าไปคิดว่าเราจะรอดไปจนถึงเย็นนี้พยายามมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้มากนะรู้สึกอยู่ในปัจจุบันนี้แหละอย่างขณะนี้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกตัวขณะนี้ปวดเมื่อยรู้สึกตัวเห็นอะไรเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายปวดเมื่อย เห็นความปวดเมื่อยแทรกเข้ามาในร่างกายไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความปวดเมื่อยนะความปวดเมื่อยไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตเนี่ยค่อยๆฟังนะค่อยๆฟังแล้วก็นั่งดูท้าดูขันมันแยกออกไปเป็นส่วนๆร่างกายมันนั่งร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดูนะร่างกายมันปวดเมื่อยเราเห็นเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งค่อยๆดูไป ฟังธรรมะแล้วจิตจใจเกิดความร่าเริงเราก็เห็นนะร่างกายอยู่ส่วนหนึง่งความร่าเริงอยู่ส่วนหนึง่งใจอยู่ส่วนหนึง่งโคราหนกันค่อยๆดูธาตุดูขันนะค่อยๆแยกค่อยๆดูไปใจเย็นๆอย่ารีบร้อนถรีบจะเอาเร็วๆจะยิ่งช้าอยากได้ก็ยิ่งไม่ได้เพราะอยากนั่นเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ะอยากได้ธรรมะก็ทุกข์ไม่ใช่ว่าจะไม่ทุกขนะ์ต้องละอยาก แต่ไม่ขี้เกียจ น, นะต้องมีฉันทะอยากกับฉันทาไม่เหมือนกันฉันทะเนี่ยเป็นความใฝ่ดีต้องการทำอะไรที่ดีๆตัณหามันอยากไปตามอำนาจกิเลสตามอำนาจราคะบ้างโทสะบ้างมันลากเข้าไปอย่างเราพอนาเรามีฉันทะเรามีความสุขมีความพึงพอใจที่ได้ดูกายดูใจขยันดูกายดูใจอ้ น, นี้ไม่ได้ทํา้วยอยากทาเพราะเห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์ เป็นของดีนําความสุขมาให้ถ้าอยากมันจะอยากได้ผลอยากได้ผลเร็วๆภาวนามาแล้วนั่งนับวันนี่ได้เจ็วันแล้วในพระไตรปิฎกว่าเจวันบรรลุพระอรหันต์ก็มีทําไมเราไม่บรรลุสักทีถ้านั่งนับต่อไปเจเดือนแล้วเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองยังสบายใจแล้วเดือนที่ห้าที่หชักร่วมใจใกล้เจ็เดือนแล้วเมื่อไรจะได้ถึงเดือนที่เจ็ดแล้วก็ไม่ได้อีก เพราะความอยากมันนำไปตลอดเล ย, ยงั้นเราไม่ปล่อยให้ใจหลงไปคิดถึงผลที่จะได้ในอนาคต น, นะเราทำเหตุอยู่ในปัจจุบันรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจรู้สึกสบายๆรู้สึกเหมือนเห็นคนอื่นเหมือนเห็นร่างกายของคนอื่นเหมือนเห็นจิตใจของคนอื่นดูเหมือนดูคนอื่นเรื่อยๆไปในที่สุดปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยว่าร่างกาย ที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่ตัวเราความปวดความเมื่อยที่แทรกเข้ามาก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ร่างกายด้วยไม่ใช่จิตใจด้วยจิตใจที่เป็นคนรู้คนดูเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดสลับไปสลับมาไม่ใช่ตัวเราอีกมันจะเป็นผู้รู้เราก็สั่งมันไม่ได้มันจะเป็นผู้คิดเราก็สั่งมันไ่ได้มันจะไปเพ่งมันก็เพ่งด้วยความเคยชินเราห้ามมันไม่ได้อย่างพวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัตินะ เกือบร้อยละร้อยเขาจะเพ่งเพ่งก็คือบังคับกายบังคับใจถามว่าห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้หรอกมันเคย อ, อย่างนั้ น, นเป็นความเคยชินจิตมันไหลไปตามความเคยชินเราสั่งมันไม่ได้เราก็สร้างความเคยชินใหม่ความเคยชินใหม่คือรู้สึกตัวรู้สึกรู้สึกตัวบ่อยๆและจุดตั้งต้นเลยนะที่เราจ ะ, จะเจริญปัญญาได้กนะ็ต้องตื่นขึ้นมาใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นใจรู้สึกตัวขึ้นมา เราสามารถรู้สึกตัวได้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่ผ่านมาเราไม่รู้จักหลวงพ่อนะี่มาเคี่ยวเข็นสั่งสอนตลอดเวลานะที่ผ่านมาเนี่ยสอนให้พวกเรารู้ตัวรู้ตัวไว้รู้สึกตัวไว้อย่าใจลอยอย่าเอาแต่เพ่งนี่เป็นการปรับจิตใจของเรานะในขั้นต้นเลยพอจิตใจเราได้รับการปรับปรุงดีแล้วเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยเราใช้จิตใจที่เป็นผู้รู้เนี่แหละ ไปรู้อะไรไปรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของใจหรือเรียกว่าวิปัสนาลำพังรู้กายลำพังรู้ใจไม่ใช่วิปัสนาะนะไปดูกายไปดูใจไม่ใช่วิปัสนาถ้าเห็นแสดงกายแสดงไตรลักษณ์จิตใจแสดงไตรลักษณ์อันนี้ถึงจะเป็นวิปัสนาจะเห็นได้นะใจต้องเป็นคนดูนะถ้าใจเป็นผู้แสดงเองแล้วก็จะไม่เห็นหรอกมันจะเข้าไปแทรกแสง อย่างเราคิดถึงการปฏิบัติเราไปเดินจงกรมนะเราก็บังคับตัวเองต้องเดินท่า น, นี้ต้องเดินที่นี้ด้วยบางคนนะเดินที่อื่นไม่ได้ต้องทําทางจงกรมไปที่บ้านอันหนึ่งนะถึงเวลาไปธุระที่ไหนก็ตามถึงเวลาเราเรีบกลับบ้านขับรถ ห, หัวซุกหัวซุนมานะวิ่งตักๆๆๆขึ้นหัวทางจงกรมนี่ถึงจะเดินได้ไม่รู้เลยว่าไอ้ตรงที่วิ่งตักๆๆมานะั้ น, ะนะรู้สึกตัวไปก็เดินจงกรมอยู่แล้วนะเนี่มัน ต, ติด ติดว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้มคําว่าต้องเยอะหรือเกินทั้งๆที่ไม่ได้ต้องอะไรเลยนะแค่รู้สึกตัวขึ้นมาเรารู้สึกเห็นกายเป็นทํางานเห็นใจมันทำงานดูไปดูอย่างสบายๆนะถ้าเห็นจิตใจทํางานได้ก็ดูจิตใจไปถ้าดูจิตใจไม่ได้ให้ดูกายนี่เป็นหลักของการปฏิบัตินะดูจิตได้ดูจิตถ้าดูระหว่างกายกับจิตนะถ้าเราดูจิตได้ให้ดูจิตเพราะอะไร กิเลสเกิดท an. ี่จิตกิเลสไม่ได้เกิดที่กายกุศลก็เกิดที่จิตกุศลไม่ได้เกิดที่กายมรรคผลก็เกิดที่จิตมรรคผลไม่ได้เกิดที่กายกายเป็นแค่บ้านของจิตในขณะที่ยังหาเจ้าของบ้านไม่เจอก็มาเฝ้าบ้านไว้มาเฝ้าหน้าบ้านก็วันนึงก็เห็นเจ้าของบ้านคือเห็นจิตเงั้นถ้าเราดูจิตดูใจได้เราก็ดูจิตดูใจไปถ้าดูจิตดูใจไม่ได้ก็ดูร่างกายนะ ดูกายไปยถ้าเราลืมกายนะออกนอกไปดูคนอื่นไปดูสิ่งอื่นเนี่ยชาตินี้จะไม่เห็นจิตตัวเองเพราะมันดูออกข้างนอกไปแล้วจิตไม่ได้ไปอยู่ข้างนอกจิตมันอยู่ภายในร่างกายนี้แหละแต่ตอบไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนของร่างกายเพราะบางทีมันก็วิ่งไปวิ่งมาได้นะที่จริงมันถ้าพูดตรงไปตรงมาแล้วมันก็ไม่ได้วิ่งแต่มันไปเกิดที่ตาแล้วดับไปเกิดที่หูแล้วดับไป เกิดที่จมูกแล้วดับไปเกิดที่ลิ้นแล้วดับไปเกิดที่ร่างกายแล้วมันก็ดับไปเกิดที่ใจแล้วมันก็ดับไปมันไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาเราค่อยภาวนาค่อยรู้ค่อยดูนะเราจะเห็นทุกอย่างมีแต่ของไม่เที่ยงร่างกายไม่เที่ยงจิตใจไม่เที่ยงความสุขความทุกข์ไม่เที่ยงกุศลอกุศลไม่เที่ยงเห็นแต่ของที่ถูกบีบคั้นให้สลายตัวไปร่างกายก็ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา หายใจเข้าอยู่างเงี้ยการหายใจเข้าก็ถูกบีบคั้นให้ต้องหายใจออกเพราะว่าความทุกข์มันจะมาบีบคั้นที่ว่าทุกขังทุกขังเนี่ยแหละอย่างเราหายใจเข้าสบายสบายหายใจไปเรื่อยความทุกข์ก็มาบีบคั้นนะหายใจเข้าต่อไปไม่ได้ต้องหายใจออกหายใจออกไปสักพักนะความทุกข์ก็มาบีบคั้นอีกความจริงมันเริ่มบีบคั้นตั้งแต่เริ่มหายใจแล้วตอนที่เริ่มหายใจเข้ามันก็เริ่มบีบคั้นแล้วมันเพิ่มแรงบีบไปเรื่อยๆหายใจเข้านานนานเนี่ยบีบมาก ทนไม่ไหวก็ต้องหายใจออกตอนที่หายใจออกนะมันก็เริ่มบีบคั้นแล้ะมันก็บีบมากขึ้นมากขึ้นจนทนไม่ไหวต้องหายใจเข้าหรือยืนเดินนั่งนอนนะที่เราเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เนี่ยเพราะความทุกข์มันบีบคั้นอยู่นี่เราดูของจริงนะในร่างกายมีแต่ของเม่เที่ยงมีแต่ความบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถมีแต่การบังคับไม่ได้มันเป็นแค่วัตถนะุไม่ใช่ตัวเรานะเป็นแค่วัตถุร่างกายนี้เป็นวัตถุเท่านั้นเอง เบตอนยืมธาตุของพ่อของแม่มาใช้นะต่อมาก็อาศัยอาหารอาศัยน้ําอาศัยอากาศเลยเนี่ยมาเลี้ยงมันสุดท้ายมันก็แตกสลายคืนเจ้าของเดิมไปนะร่างกายก็เป็นวัตถนะุไม่ใช่ตัวเรานะเป็นอนัตตาในะแง่ที่ว่ามันเป็นแค่ก้อนธาตุไม่ใช่คนหรอกไม่ใช่ศาตร์หร อ, อกนะแต่สมมุติบัญญัตินะมันปิดบังความจริงนะอย่างเราเห็นว่ามีคนผู้หญิงมีคนผู้ชาย มีเด็กมีผู้ใหญ่อะไรนี่มันจริงโดยสมมุติในความเป็นจริงมันก็แค่ก้อนาธาตุเท่านั้นเองเป็นาธาตุที่ไหลามาไหลไปหมุนเวียนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อะไรจริงจังหรอกดูจิตก็เห็นแต่ความไม่เที่ยงนะจิตเนี้ยดูไม่เที่ยงง่ายอย่างความสุขอยู่แ ป, ป๊บเดียวก็หายไปนะความทุกข์อยู่ชั่วคราวก็หายไปความดีอยู่ชั่วคราวก็หายไปโกปกรภกุศลหลงอยู่ชั่วคราวก็หายไป ตรงที่มีแล้วมันหายไปมันไม่มีเนี่ยเรออ น, นิจจังดูจิตดูใจก็จะเห็นอีกอย่างหนึง่งเห็นอนัตตาดูง่ายอนัตตาดูจิตเนี่ยดูให้เห็นทุกข์ยากนะถ้าดูจิตแล้วมันจะมีความสุขเยอะใจเป็นติดว่างๆติดความสุขใช้ไม่ได้ถ้าดูจิตดูใจน่าจะเห็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เห็นการบังคับไม่ได้มันจะสุขหรือมันจะทุกข์มันจะดีหรือมันจะร้ายเราสั่งมันไม่ได้เห็นอย่างนี้ส่วนคนที่จะเห็นจิตเป็นตัวทุกข์นะส่วนใหญ่จะเป็นพวกทรงฌานทรงฌานอยู่จนถึงพรานาคานะจิตมีความสุขมหาศาลอยู่กันอะมากขึ้นมากขึ้นมีแต่ความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะวันหนึ่งสติปัญญาแก่กล้าพอนะเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์มันไม่รู้จะบรรยายแบบไหนที่ว่าจิตเป็นตัวทุกข์ ที่ผ่านมาเราไม่รู้จักเรารู้จักแต่ว่าความทุกข์มันมาสู่จิตในความทุกข์มันมาสู่ร่างกายความทุกข์ไม่ใช่กายความทุกข์ไม่ใช่จิตแต่นาทีที่จะแตกหักกันจริงๆนะมันเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์นีมันเห็นอย่างนี้ประหลาดมากเป็นความแปลกแล้วมันจะตรงกับที่พระเจ้าสอนนะว่าขันห้าเป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าทุกขเวทนาเท่านั้นเป็นทุกข์ขันห้าทั้งหมดเป็นทุกข์ร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์จิตนี้เป็นตัวทุกข์ ถ้าเข้าใจตัวนี้นะจะข้ามโลกแล้วหลุดออกจากโลกแล้ไม่ได้บ้านะไม่ใช่หลุดโลกภาษารุ่นของเราแล้วหลุดโลกต้องแบบแปลกๆไปเลยนั่หลุดออกจากโลกใจสลัดคืนกายกายนี่แหละโลกคืนใจไปใจนี่แหละโลกขันห้างนี่แหละโลกนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะพระเจ้าสอนอะไรเรียกว่าโลกโลกก็คือรูปกระนามนเอง ขันท่านีเ่เคยสวดสติปัฏฐานไหมมีอยู่บทหนึ่งวินัยยะโลเกอพิชาโทมานัสสะตัดทอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้ว่าโลกตัวนี้คืออะไรคือรูปกับนามนี่นะไม่ใช่โลกข้างนอกงั้นเราเห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจเต็มที่มันจะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกคือในรูปในนามในกายในใจของเรานี้ได้ หมดความยินดีหมดความยินร้ายะเข้าสู่ความเป็นกลางธาตุขันก็ทําหน้าที่ของธาตุขันไปนะจนถึงวันที่เขาหมดเวลาของเขาเขาแตกดับธาตุขันมันแตกมันดับไปใจไม่ได้หวั่นไหวกับมันนะธรรมะอย่างนี้หาฟังยากนะตั้งใจค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปฟังไปเวลาเล็กเวลาน้อย ธรรมะบางอย่างนะกว่าหลวงพ่อจะเข้าใจที่ครูบาอาจารย์สอนนะใช้เวลานานใช้เวลานา น, านมากเลยบางเรื่องอย่างที่เคยเล่าให้พวกเราฟังบอหลวงปูดด่ดูบอกให้ดูจิตจิตมันเป็นคนดูแล้วก็นึกว่าให้ดูคนดูพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกทุกมันเหมือนมันทํางานอยู่กลางหน้าหกเนี่ยปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมาปรุงทีไร ท, ทุกทุกทีเลย กระทั้งปรุงสุกนะยังทุกข์เลยรู้สึกยังใครเคยเห็นว่าว่ามันปรุงความสุขขึ้นกลางเน้า อ, อกนะพอปรุงขึ้นมาปุ๊บนะมันคือตัวทุกข์เลยนะเนี่ยมันมีแต่ทุกข์นะปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมานี่คนจีนเห็นนะนี่คนจีนเห็นนะคนไทยยังงงงงอยู่เพราะว่าฟังมานานคนจีนเพิ่งฟังใหม่ๆหมหเห็นนะมันปรุงขึ้นมานะเห็นเนี่ยสงสัย เออพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกแล้วก็น่าจะรู้ที่นี่หลวงปู่บอกให้ดูจิตมันน่าจะดูอยู่ตรงนี้จิตมันเหมือนดูไปจากข้างบนตรงไหนแน่ขยับจะถามหลวงปู ด, ดูนะแต่เอาไว้ก่อนขอเอาไว้ดูเองก่อนนะเดี๋ยวถ้าดูไม่รู้เรื่องแล้วจะถามปรากฏหลวงปู่ไม่อยู่ให้ถามสิ้นไปก่อนไปเรียนต่อกับหลวงพุเทศก็ขยับจะถามอีกประโยคเนี้ยไม่จะดูตัวไหนจะดู ตัวทุกข์ที่กลางอกหรือดูจิตขยับจะถามก็ขยับจะถามจะหลวงปูเทศเขาสิ้นไปฮะีอยู่กับหลวงปู่สิมส่วนใหญ่หาโลงปูสิมก็ไม่ได้ถามอีกจนกระทั่งมาบวช น, นะเหลือครูบาอาจารย์ก็แค่หลวงปู่เหรียญกับหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตไปก่อนอีกนะว่าจะถามก็ไม่ได้ถามอีก หลวงปู่สุวัตเนี่ยหลวงพ่อบวชได้พรรษาเดียวนะออกพรรษาไปท่านก็สิ้นละหลวงปู่เหรียนนีหลวงพ่อบวชได้สี่พรรษาท่านก็สิ้นละเมืเราหมดครูบาอาจารย์ที่เราคุ้นเคยแล้วอย่างหลวงตามหาบัว ย, ยังอยู่แต่ไม่คุ้นกับท่านรู้เลยเข้าไม่ถึงละถ้าสมัยก่อนเนี่ยเข้าถึงท่านเคยไปเรียนกับท่านหลังๆตั้งแต่ท่านออกมาช่วยชาติเนี่ยคนรู้จักเยอะเข้าไม่ถึงยาก เลยต้องช่วยตัวเองนะค่อยดูค่อยดูไปค่อยสังเกตไปใช้เวลาตั้ง20ปียีสปีจากที่สงสัยธรรมานนี้นะถึงได้รู้ขึ้นมาว่ามันอันเดียวกันอันเดียวกันตรงไหนตรงที่ว่าเวลาเราภานาให้เรารู้ทุกนั่นแหละถูกแล้วแต่ใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้พอเรารู้ทุกเขี่ยมแจ้งนะั้นมันระวังทุกเป็นลําดับลําดับไปวางทุกที่อยากออกไปก่อน จกระทั่งทวนกระแสเข้ามาถึงตัวจิตพอเข้ามาถึงตัวจิตเนี่นะวันหนึ่งมันเห็นจิตนี่แหละคือตัวทุกข์ที่หลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตดูจิตจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมากหมายถึงจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมักนะงั้นเราต้องค่อยๆภาวนาค่อยๆสังเกตดูของเราให้มากช่วยตัวเองให้เยอะถามคนอื่นให้น้อยทุกวันเนี้เวลา มาส่งกันบ้านมานควรบอกกัลยาณมิตรบอกมาอย่างนี้นะไปไหนก็มีแต่กัญญาณมิตรสอนมาสอนมาผิดผิ ด, ดถูกๆเนะียอะมากเลยกัญญาณมิตรบอกเนะี่ยทาไมไม่ใช่โยนิโสมนัสิการให้มากแนะยบค่ายในการสังเกตตัวเองสนะิสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันอยู่ในร่องในรอยที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่านะไม่ใช่แต่ฟังคนอื่นเรารู้ได้ยังไงว่าใครเป็นกัญยาณมิตร อาจจะเป็นป่าประมิตรก็ได้มิตรที่พาทำบาปนะพาเราภาวนาดีๆพาเราเสียก็ได้งั้นอย่าไปเชื่อคนอื่นง่ายนะจุดสําคัญน่ยสังเกตตัวเองให้มากเลยว่าที่เราภาวนาอยู่เนี่ยมันสอดคล้องกับคําสอนของพุทธเจ้ า, าหรือเปล่าอย่างท่านสอนว่าความปรุงแต่งทั้งหลายสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเราเห็นไหมอย่างนั้นหรือเราเห็นว่ามีสิ่งใดเที่ยง อย่างถ้าเราภาวนานะเราเกิดเห็นว่าจิตเที่ยงเนี่ยนะไม่ต้องไปถามใครเลยถ้าเรารู้หลักที่พุทธเจ้าสอนนะเรามีโยนิโสมนิดเดียวเราก็รู้แล้วว่าต้องภาวนาผิดแล้วละ่ะทําไมจิตเที่ยงพุทธเจ้าว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงจิตนนะั้เป็นสังขารนั่นหนึ่งนะเป็นความปรุงแต่งอย่างหนึ่งเนี่ยใช้ความสังเกตเอานะไม่ใช่ถามเราไม่สามารถตัดสินได้นะในยุค ข, ของเราเนี่ยว่าใครคือกัลยาณมิตรตัวจริง กระทั่งหลวงพ่อประโมทนะรู้ได้ยังไงว่าเป็นกระยาณ น, นมิตตัวจริงอาจจะสอนผิดก็ได้นล่นเราต้องดูว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าเมื่อไรที่เราภาวนาอยู่นะมันไม่ลงลอยกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะอย่าไปเชื่อมันอย่าเป็นอึกว่าพระไตรปิฎกจดมาผิดนะอย่างภาวนาไปแล้วเห็นพระนิพพานแล้วก็บอกว่าพระไตรปิฎกจดมาผิดนะว่า นิพพานนิพพานนงประมังสุนยังว่างไปหมดแล้วไม่มีเนี่ยเราจะไปโทษว่าพระไตรปิฎกผิดอะไรต่ออะไรนะพระจํามาผิดอย่างเงี้ยนะ ไ, ไม่ผิดอย่างเดียวคือเรานีเองเราภาวนาถูกลูกเดียวเลยแล้วเราอยไปช่วยคนอื่นนะค่อยๆสังเกตตัวเองให้มากเลยนะพระเจ้าสอนวนะ่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเห็นไหมหรือว่าเห็นบางอย่างเที่ยงอยู่เวลาเราภาวนานะบางทีเราเห็นตัวหนึ่งเที่ยง ตัวรู้นี่แหละเที่ยงเคยไม้มบางคนที่หลวงฟ้าตรวจกันบ้านบอกใช้ไม่ได้นะเห็นร่างกายเห็นความรู้สึกสุขทุกข์เห็นความดีความชั่วเกิดดับตลอดเวลานะแต่มีตัวหนึ่งคงที่อยู่ตัวดูนี่แหละนิ่งคงที่อยู่ในะตลอดเวลาเลยทาหน้าให้ดูเนี่ยจะอยู่อย่างนี้นะอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยดูออกไหมเวลายิ้มก็จะยิ้มองนี้ เนี่ยมันจะค้างอยู่อย่างเงี้ยนะดูออกใช่ไหมอุตสาห์แสดงแล้วนะเนี่ยใช้สื่อทุกชนิดเลยนะในการสอนทั้งภาษาทั้งท่าทางทั้งหน้าตานะสอนพวกเรารุ่นนี้มันสอนลำบากต้องต้องแสดงให้ดูด้วยเนี่ยถ้าเรายังเหลือตัวเที่ยงอยู่ตัวหนึ่งเรามีโยนิโสเนี่ยผิดแล้วทำไมตัวหนึ่งเที่ยงอะ ไอ้ตัวนี้มันก็สังขารตัวหนึ่งเหมือนกันถ้าไม่เป็นเที่ยงนะก็ภาวนาผิดเอาสิก็ไปประคองตัวจิตเอาไว้ก็ผิดตัวสิเนี่ยเราใช้ความสังเกตไม่ต้องไปถามหรอกป้ามารีว่ายัางไงลุงประสานว่ายัางไงไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นเลยนะสังเกตให้มากช่วยตัวเองให้เยอะคนที่เอาตัวรอดได้เนี่ยล้วนแต่ น, นักสู้เท่านั้นนะคนที่เข้าใจการปฏิบัติขึ้นมาเป็นนักสู้ที่เข้มแข็งเท่านั้นเลย ไม่ใช่พวกเปาะแปะต่อแปะให้ครูบาอาจารย์โอนะหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อโอนะหลวงพ่อพราโมดไม่ใช่หลวงพ่อโอแน่นอนนะงั้นเรียนเราต้องสู้เอาเองสังเกตเอาเพราะอะไรทำไมสอนอย่างนี้พระลง่อผ่านมาด้วยวิธีนี้นะสู้มาด้วยวิธีนี้เราอยู่ไกลครูบาอาจารย์หนะลวงพ่อพานาเตั้งแต่เป็นโยมเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยเวลาส่วนใหญ่เอาไว้ทามาหากินนะอันนี้พูดแบบสุภาพนะ ถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาเวลาส่วนใหญ่เอาให้หลงนะแล้วก็ทํามาหากินนิดหน่อยหนะลงเยอะวันวันหนึ่งอ่นะนะนานๆจะได้ไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยถ้ารอไปหาครูบาอาจารย์นะพอดีกรรมฐานเราก็ติดขัดอยู่งั้นหลายเดือนกว่าจะได้ไปหนะลวงพ่อนะ่ะดูไปดูมาก็บุญนะไปหาครูบาอาจารย์เนะี่ยเจอครูบาอาจารย์ที่ดีๆเยอะเลย ไม่ค่อยพลาด่ะเข้าไปหาองค์ไหนองค์ไหนไม่คพลาดนี่เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครจะสอนเราได้ใครสอนถูกใครสอนผิดทุกคนที่ออกมาสอนเนี่ยล้วนแต่บอกว่าตัวเองสอนถูกเท้งนั้นแหละถ้าจะให้ว่าคนอื่นคือว่าคนอื่นผิดถ้าถ้าตัวเองก็ต้องถูกเหมือนกันหมดทุกที่เลยนั่นเราไม่ต้องฟังใครมากหรอกเราสังเกตเอา อะไรที่สอดคล้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเราทําอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราสํารวจตัวเองจริงๆนะว่าเราทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนจริงหรือเปล่ายงบางคนบอกภาวนามาตั้งเจ็ดปีแล้วไม่ได้สักีถามว่าทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนได้ที่ท้วนดียไหมท่านสอนให้มักน้อยเรามักมากหรือเปล่าท่านสอนให้สันโดษเราโลภเราโมบโลกมากไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่มีหรือเปล่าท่านสอนว่าไม่ครุกคลีเราชอบครุกคลีหรือเปล่า ท่านสอนให้ปรารบความเพียรเราคิดถึงการปฏิบัติบ้างไหมวันวันหนึ่งนานๆคิดจริงบางคนหลายวันคิดทีหนึ่งี้ไม่ได้เรื่องเลยปราลบความเพียร น, นี่ต้องคอยเตือนตัวเองนะว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะเราจะตายไปทั้งๆที่จิตยังมีกิเลสทั้งๆที่จิตยังมีความทุกข์นี่รับไม่ได้เราเองเนะีรับไม่ได้นะใจมันจะทนไม่ได้มันจะกลวนกไหวยภาวนานะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียรเจริญสติส ต, สติตัวนี้หมายถึงสติปัฏฐาน ไม่ใช่สติธรรมดาสติธรรมดานะแค่ว่าจิตใจอยากฟังเทศก็เป็นสติแล้วจิตใจอยากทําบุญใส่บาตรอยู่นะในขณะนั้นก็มีสติแล้วจะเป็นสติแบบโลกโลกคือทําอะไรไม่ผิดพลาดทําแต่สิ่งดีๆนะจิตเป็นกุศลเมื่อไหร่ก็มีสติเมื่อนั้นแต่สติที่พวกเราต้องฝึกคือสติปัฐานสติปัฐานคือสติรู้กายสติรู้ใจเพราะฉะนั้นอย่าใจลอยต้องคอยมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกจิตใจบ่อยๆ ใจนี้ปเรารู้ใจนี้เรารู้ฝึกเรื่อยๆนะจอทั่งจิตมันจําสภาวะได้แม่นนะอย่างสมมติเราเราหัหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวต่มาพอใจลอยไปแต่จิตนั้นมันจําสภาวะของการหายใจได้พอใจลอยไปไปเห็นอะไรมิสยูนิเวอร์สใจหวั่นไหวนะเรารู้ทันลมหายใจมันเปลี่ยนนะลมหายใจมันจะเปลี่ยนจังหวะ พอลมหายใจเปลี่ยนจังหวะนะเราเคยรู้ลมหายใจเคยมีสติรู้ลมหายใจพอลมหายใจเปลี่ยนจังหวะปับ๊บนะสติจะเกิดเองเลยนะจิตมันจําสภาวะของการหายใจได้พอเปลี่ยนปุ๊บนะมันรู้ว่าจังหวะมันเปลี่ยนละผิดจังหวะไปแล้วมันรู้สึกเลยหรือเราเคยขยับตัวนะทำจังหวะเคยเคลื่อนไหวแล้ว ร, รู้สึกตัวนะไม่ต้องทําิบสจังหวะอย่างนี้ก็ได้นะทําแค่จังหวะเดียวแค่นี้ก็ได้นะแค่นี้ แค่นี้รู้สึกแค่นี้ก็ได้นั่งพัดไปร้อนๆ น, นั่งพัดไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกถึงร่างกายบ่อยๆเห็นร่างกายเคลื่อนไหวบ่อยๆนะต่อไปเวลาเราเผลอตัวแล้วร่างกายขยับขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกตัวสติจะมาเองจะกลับมารู้สึกตัวได้เองนะงั้นต้องฝึกนะอยู่ๆดีๆมันไม่ไม่รู้สึกหรอกสติมันไม่มาหรอกต้องฝึกฝึกด้วยการทํากรรมฐานสัอย่างหนึ่งที่พวกเราคุ้นเคยแล้วคอยรู้ทันเวลามันเผลอไป พุทโธพุทโธนะจิตหนีไปจากพุทโธเมื่อไหร่รู้ทันรู้ลมหายใจจิตหนีไปจากลมหายใจรู้ทันดูท้องพองยุบนะจิตหนีไปจากท้องหนีไปคิดนะหรือไม่ก็ไหลเข้าไปที่ท้องเลยรู้ทันเนี่ยจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ฝึกไปด้วยจิตมันจะกลับมาอยู่ที่ตัวเองนะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิเลยสติเป็นตัวรู้ทันสภาวะพอรู้ทันปุ๊บจิตตั้งมั่นได้สมาธิขึ้นมาเลย เพราะฉะนั้นเราต้องมีนะค่อยๆฝึกทุกวันให้ได้สติให้ได้สมาธนะิและปัญญามันจะมานะงั้นเนี่ยเราต้องสํารวจตัวเองเราเราทำตามที่พผู้เจ้าสอนได้ครบถ้วนไหมเรามักน้อยไหมหรือเรามากักมากโลภมากไม่มีที่สุดเราสันโดษไหมเรายินดีพอใจในสิ่งที่เราได้มาอย่างถูกต้องบริสุทธิ์แล้วนะหรื อ, อยังไม่พอใจนะเราคลุกคลีไหมยุ่งกับคนอื่นไหม เล่นเฟซเล่นไลน์เล่นไรเนี่นะถ้าเล่นโดยไม่จำเป็นไม่เกี่ยวกับงานกิจการเนี่ยฟุ้งซ่นนะแต่ถ้ามีงานมีการแล้วใช้ไม่เป็นไรนะใช้ติดต่องานกันอะไรเงี้ยนะครูบาอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าไม่จำเป็นน้องเล่นล้วก็เล่นอย่างเงี้ยฟุ้งซ่านนะคลุกคลีคอยให้คนอื่นเข้ามารับรองว่าฉันยังอยู่ฉันยังอยู่มันคือการเซิร์ฟอัตตาเียเซิร์ฟอัตตาตัวตนนั่นเอง ถ้าอยู่คนเดียวในโลกแล้วเหงาอยู่ไม่ได้นะเนี่ยจิต ท, ที่มันยังอ่อนแนะจิต ท, ที่มันยังฝึกได้ไม่เต็มที่นะไม่มีพรรคพวกเพื่อนฝูงแล้วเหงามันอยู่ไม่ได้เฉาเหี่ยวเฉาตายเลยะอย่างบางคนนะเขาเป็นมนุษยสังคมนะวิธีจะฆาตกรรมโดยไม่ติดคุกนะก็นัดกับคนอื่นอยาไปคุยด้วยไม่คุยด้วยสักพักเดี๋ยวเฉาตายไปเลยเพราะไม่มีใครช่วยรับรองว่าฉันยังอยู่ฉันยังอยู่นั่นะมันเป็นเรื่องความอ่อนแอของจิตนะ ถ้าเราเข้มแข็งจริงนะไม่ต้องมีใครมารับรองเราหรอกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีนะมีแต่ร่างกายมีแต่จิตใจที่ทำงานไปเรื่อยๆงั้นถ้าไม่คลุกคลีได้ก็ไม่คลุกคลีนะถ้าจาเป็นต้องทำงานร่วมกับคนอื่นไม่เรียกว่าคลุกคลีนั้นคืองานสนะารลบความเพียรนะที่ต้องตั้งใจสอนตัวเองต้องปฏิบตัติต้องเจริญสติปัฏฐานมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจ ต้องเจริญสมาธิที่ดีก็ ค, คือมีสภาวะที่จิตตั้งมั่นถ้าจิตเคลื่อนไปรู้จิตเคลื่อนไปรู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วก็ปัญญามจะเกิดมันจะเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจพอใจมันถอนออกมาเป็นคนดูปุ๊บมันจะเห็นนะร่างกายไม่ใช่เราอันนี้ดูง่ายมากเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าไอ้ตัวที่ดูอยู่เนี่ยเรายัางรู้สึกเป็นเราอยู่นะ ตาบใจที่ยังคิดอยู่ตัวนี้จะเป็นเราอยู่เพราะตัวนี้ความเป็นเราไม่มีจริงนะมันคือความคิดเราเท่านั้นเองนะงั้นถ้าเมื่อไหร่ใจอยู่กับความรู้สึกตัวจริงๆนะหลุดออกจากโลกของความคิดไม่ใช่ไม่คิดนะแต่ว่าไม่อินไปกับความคิดความเป็นเราเพราไม่เกิดพระอรหันต์ยังคิดอยู่พระอรหันต์ก็คิดไม่ใช่พระอรหันต์ไม่คิดแต่ไม่มีเราเพราะไม่อินกับการคิดเลยความคิดก็อยู่ส่วนกวบคิดนะแยกออกไปตากเลยนะค่อยฝึกนะแล้วมันจะเห็นความจริง อปัญญาเกิดเนี่ยมันจะได้อีกข้อหนึ่งไม่เนิ่นช้าเนะลักษณะธรรมะของผู้เจ้านะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปราโรกความเพียรมีสติมีสมาธิปัญญาไม่เนิ่นช้าถ้าทำมาทั้งสมปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมต้องรีบทบทวนนะหรือทำมาสามเดือนแล้วก็ยังคงที่อยู่ต้องทบททวนแล้วล่ะถ้าต่ำกว่าสามเดือนก็ยังไม่ต้องกังวลมากนะลองดูสักสามเดือน อย่างถ้าฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วก็หัดดูกายดูใจหัดรู้สึกตัวจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้อะไรเนี่ยถ้าฝึกอยู่สัก3เดือนแล้วก็มาเห็นอะไรขึ้นมาเลยไม่ได้เรื่องได้ราวก็ไม่เป็นไรไปเรียนกับคนอื่นได้ธรรมะมีหลากหลายอาจจะไม่มีวาสนาซึ่งกันแลกันแต่ถ้าภานาถูกนะแป๊บเดียวเดือน2เดือน3เดือนนีเปลี่ยนอย่าว่าแต่เดือน2เดือน3เดือนเลยเนี่ย คนจีนเนี่ยมาเรียนสิบวันได้ยังประสานวันเนี้ยวันที่สิบมีคนจีนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมาเรียนสิบแปดคนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะเกือบทั้งหมดแล้วนะแล้วก็ที่แยกขันได้ก็มีนะที่เห็นขั น, สนแสดงใจรักแล้วก็มีนะในเวลาสิบวันเนี้ยของเราใครสิบปีบ้างสิบปีแล้วเหมือนเดิมไหม ถ้าสิบปีแล้วไม่เหมือนเดิมก็ใช้ได้นะแต่ว่าต้องดีกว่าเดิมนะใช่สิบปีไม่เหมือนเดิมเร็วกว่าเก่าตั้งเยอะเลยต้อง <ใช S 1> ไม่ไหวเหมือนกันธรรมะไม่ใช่ของยากนะไม่ใช่ของยากหรอกเดินอยู่ในร่องรอยที่พระเจ้าวางไว้นะสํารวจตัวเองไปอะไรที่ท่านสอนให้ทําเรายัางไม่ทําเราก็ทำเสียอะไรที่ท่านห้ามเรายัางทําอยู่เราก็เลิกซะนะ เนี่ยสำรวจตัวเองนะนี่เรียกว่ามีโยนิโสนะคอยสํารวจตัวเองโยนิโสมนาสิการแยบคายในการสํารวจตัวเองศีลของเราดีหรื อ, อยังพวกเราศีลศีลดีอย่างตอนเนี้ศีลข้าไหนรักษายากที่สุด12ึ่สสทุกคนลงมติข้อวสียากที่สุดนะเพราะอะไรการเคลื่อนไหวปากเนี่ยใช้พลังงานน้อยกว่าการเคลื่อนไหวมือและเทา้านะ ใช้พลังนิดเดียวใช่ไหมยิ บ, ย บ, ย บ, ยบแต่ก่อโทษร้ายแรงอย่างเราไปชกหน้าเขานะ่ะเดี๋ยวเดียวเขาก็หายเจ็บลนะเราไปแกล้งว่าเขานะ่ะโอ้ยเขาเจ็บทั้งชาติเลยนะโทษร้ายแรงนะโทษมูสาวาสนี่ร้ายแรงนะทําร้ายคนอื่นได้เยอะนะอย่างเขาเป็นคนดีเราว่าเขาเลวอย่างเงี้นะสังคมรุมประนามไปเลยเนะียเสียผู้เสียคนไปนะบาปอย่างร้ายแรงนะค่าทั้งเป็นเลยนี่งกว่ามีดปาดคออีก แล้วเราแต่เราที่เรารักษาศีลข้อสียากนะเพราะเราไม่ค่อยเห็นโทษเราไม่รู้สึกว่าเป็นโทษมากหรอกนิดนิ ด, นดหน่อยน่อยอำเล่นนิดหน่อยกันเะ อ, อนนนนนงจนกระทั่งคนต่างชาตินะหลวงพ่ไปมาหลายประเทศนะคนต่างชาติเวลาคุยกับคนไทยเนี่ยนะจะเหนื่อยมากเลยไม่รู้ว่าคนไทยต้องการอะไรใครแค่ <c oughs> <c oughs> คนไทยนี่นะ เล้วไหวเนี่ยเข้าขั้นฝึกวิทยายุทธขั้นสุดยอดแล้วนะะคลิ้วไหวนะไม่แข่งกระด้างนั่นวาจาเรานะเราเราถือศีลข้อสียากเพราะเราไม่เห็นว่ามันเป็นโทษมากเราเห็นว่ามีโทษนิดเดียวไม่เป็นไรไม่เหมือนไปขโมยเขาไปขโมยเขาอะไรเงี้ยแบบโทษมากเดี๋ยวติดคุกโทษมากเพราะมีโทษจำคุก นะไปแกล้งสอดเสียดเขาเล่นเนี่ยไม่ถึงก็ติดคุกอย่างมากเขาไปลงหนังสือพิมพ์ขอเข้ามามีโทษน้อยเห็นไหมการเดินไปฆ่าเขาเนี่ยติดคุกอะไรเงี้ยถูกประหารมีโทษมากไม่จริงเลยนะข้อสี่เนี่ยโทษมหาศาลเลยยุให้คนสองคนตีกันก็ได้นะยุให้สองชาติลบกันก็ได้นะทาได้สารพัดเลยทําให้คนตายทีหนึ่งเยอะๆก็ได้ หรือพูดปลุกระดมให้ค่ากันฮิตเลอร์พูดเก่งพูดให้ค่าอยู่ไปตั้ห้าล้านทำได้วาจาะนะงั้นถ้าเรารู้ว่าผิดศีลข้อสี่ทาโทษได้เยอะเนี่ยเราจะระวังเราจะคอยระวังทุกวันนี้เราไม่เห็นโทษเราก็ไม่ค่อยระวังนี่เราค่อยๆสังเกตตัวเอง น, นนะศีลเราดีไหมจิตใจเราอยู่กันเนื้อกับตัวไหมเราได้ขยันพานาไหมดูกายดูใจหดูบ่อยๆ แล้วในเวลาไม่นานเราก็จะได้ของดนะีแต่ถ้าเราไม่ค่อยทำนะหรือหวังพึ่งคนอื่นเอ๋ก็จะถามโน้นถามคนนี้ไปด้วยถามถูกตัวก็ดีไปนะถามผิดตัวพาเราเสียไปเลยนะมีบางคนนะชอบไปเรียนอะไรมากก็รูงไปอ่านอะไรมาก็รูนะกี่ปีกี่ปีนะเจอมันนะจิต ม, มันก็สว่างว่างอยู่ทำอย่างนี้จิมสบาย จินไปว่างสบายอยู่ข้างนอกอ่ะกี่ปีกี่ปีมันก็อยู่ตรงนี้นะเราเห็นเราสงสารเต็มทีเลยที่ดา่าโอ๊ยกี่ปีมันก็อยู่ที่นี่แหละปีกลายมันก็แบบเนี้ยปีนู่นก็อย่างเนี้ยปีหน้ า, ก, า, นนาก็อย่างนี้อีกแหละด่าอย่างนี้ก็มีนะด่าแบบเปลียบเปลี่ยนเปลือยๆนะ <laughs> บางคนพอพูดได้ก็บอกตรงๆเลยที่ฝึกอยู่ใช้ไม่ได้หรอกนะ ฝึอยู่ทาจิตให้ว่างใช้ไม่ได้นะพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะให้ทําจิตให้ว่างนะท่านสอนให้รู้รูป ร, รู้นามตามความเป็นจริงนี่นะสอนแยกธาตุแยกขันธ์นี่ส่วนเมื่อทําสําเร็จแล้วนะ่ะจิตว่างแต่ว่างคนละแบบมันไม่ไปว่างอนาถาอยู่ข้างนอกหรอกนะว่างไม่มีข้างนอกว่างไม่มีข้างในของจริงอ่ะถ้ายังมีข้างนอกมีข้างในไม่ใช่ของจริงนะบางคนเราไปแซว ม, มันก็สํานึกขึ้นมานี่ก็มีนะ มาจากหัดใหญ่คู่นั้นไม่ค่อยภาวนานทำว่างๆหลวงพ่อบอกให้ไปเรียนกับ น, น้องสาวเดี๋ยวไปเรียนจริงๆนะดีขึ้นนะมารอบนี้จิตเริ่มเดินปัญญาแล้วเนะนี่ยบางคนนะต้องด่าแต่การจะด่าต้องมีศิละปะนะทำยังไงปากเราจะไม่ชำรุดนะด่าอย่างนี้ผิดศีลไหมไม่ผิดหรอก ไม่ได้ผิดศินไม่ได้พูดคำหยาบไม่ได้พูดส่อเสียดเพ้อเจ้อนะพูดด้วยเมตตาพูดด้วยเห็นมีประโยชน์พูดพูดแบบมีกาลเทศะก็อารมณ์ไม่ดีก็ยังไม่พูดนะพูดสุภาพเนี่ยองประกอบครบสัมมาวาจานะแต่ว่าเผ็ดร้อนพูดพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนะวาจาท่านเผ็ดร้อนมากนะวาจาพุทธเจ้าอะใครไปเถียงด้วยนี่ถูกเหมือนถูกเชือดเลย ถูกดักหน้าดักหลังนะดิ้นไม่ออกยอมแพ้ทุกอย่างที่ว่าแน่ๆน่นะ ม, มีคนหนึ่งนะชื่อสัจจการ ส, สัจจการน้คนนะถือว่าตัวเองจีเนสมากเราได้ยินว่าพระพุทธเจ้าสอนนะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วคิดวนะ่า ร, รูปนี้เราสั่งได้รูปนี้แหละเป็นอัตาก็เที่ยวไปประกาศนะชวนชวนคนบอกไปโต้กับพระสมัมมาสดม เราจะเบี่ยงสมนาโคดมนะด้วยคําพูดของเรานอะเหมือนคนมีแรงมากนะจับเสือเนี่ยสะบัดเนี่ยเบี่ยงอย่างนี้เลยนะเราจะเล่นงานสมณะโคดมนะให้เหงื่อรักแล้ออกเลยเนี่ยว่าอย่างนี้เลยนะแหมโฆษณาคนมาฟังเยอะเลยมาถึงนะมันก็มาถามเลยถามถามพระเจ้านะว่าพระสมณะโคดมสอนจริงรนะึว่ารูปเบชนาสัญญาสังขารวิญญาณม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็ น, ปนอนัตตาว่าจริง เขาก็บอกว่าไหนลองว่าม okay, ันซ <so S 1> ิว <büy> ่าเหตุผลมันสิเหมือนเตรียมโต้นะนักโตวัทีพระเจ้าก็ถามว่าร่างกายเนี่ยมันบังคับได้ไหมมันเที่ยงไหมมันเที่ยงไหมชักอึกอัะแล้วก็มันไม่เที่ยงจริงจริงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอะสิ่งที่มันเป็นทุกข์อยู่นะไม่เที่ยงอยู่นะเป็นตัวเราไหมควรจะนับว่าเป็นตัวเราไหมถูกตอนตอนตอนนะอึกอักรอึกไม่ยอมตอบนะพระเจ้าขู่เลย ถามสามคนไม่ตอบฟ้าผ่าหัวแตกนะฟ้าที่ไหนจะผ่าไอ้คนที่รอฟังเนี่ยมึงหล อ, อกกูมาฟัง <c oughs> หัวมึงแตกแน่รอบเนี้ยต้องตอบตอบตอบตามที่พระเจ้าถามไปเรื่อยๆนะเสร็จแล้วพระเจ้าก็ถามไงล่ะจะมาเหวี่ยงเราเหมือนบูรุษผู้มีกำลังมากเหวี่ยงเสือ <c oughs> เหวี่ยงเสือในน้ำสักเสือเห็นไหมถูกเราเหวี่ยงซะแย่นละ แลชูมือให้ดูเห็นไหมรักแล้เราเหงือไม่ออกเลยอแกชูรักแร้มาสิไอ้นี่นั่นเหงือแตกทั้งตัวเลย <punish> นี่คำพูดของพระเจ้าแสบนะออย่างพวกพราหมนะพวกพรามณ์ก็บอกเลยพวกพราหมเนี่ยเกิดจากปากของพรมพระเจ้าบอกไม่จริงหรอกพวก tamam, พราหมณ์เกิดจากช่องคลอดของนางพรามมณีดูสิไลายไหมแต่เนี่ยท่านไม่ได้ผิดศีลนะ ไม่ผิดศีลศีลท่านบริบูรณ์งามว่าเรารักษาศีลหน่อยนะที่เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ให้เจ้าเล่ณ์นะสำรวจตัวเองให้ดีดังั้นอะไรที่ผู้เจ้าห้ามเราไม่ทำอะไรที่ท่านบอกให้ทำก็ขยันทำหน่อยให้มักน้อยให้สันโดษให้ไม่คลุกคลีให้ปรารกความเพียนให้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาต้องทำอะไรไม่ให้ทา อย่าทำผิดศีลห้าข้อนะก็ไม่ทำเป็นตัวอย่างแล้วเราไม่ต้องไปวัดที่คนอื่นไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกเราว่าเราภานาถูกภานาผิดนะเรารู้ด้วยตัวเราเองเพราะวินยูชนจะรู้ด้วยตัวเองทอลชนออกรู้ด้วยตัวเองไม่เป็นเข้าข้างตัวเองจนมองความจริงไม่ออกแต่วินยูชนเนี่ยจะรู้ด้วยตัวเองวัดผลได้ด้วยตัวเองอย่างพวกเราใครรู้สึกตัวว่าตื่นที่แล้วบ้าง ที่เรียนกับหลวงพ่อมีใครรู้สึกตัวได้ว่าตื่นได้เป็นคราวๆอ่ะไม่ตื่นทั้งวันยังเหมือนซีมีไหมเนี่ยเราวัดได้ตัวเองไหมวัดได้ไหมวันได้เคยเห็นไหมกายกับใจแยกออกจากกันใครเคยเห็นไหมเชื่อหรือยังว่าขันแยกได้เนี่ยวินอยูนรู้ด้วยตัวเองต่อไปจะจะเจอยิ่งกว่านี้อีกนะสอ่ีที่หอ่อหุ้มจิตเนี่ยแหวกออ ก, กได้อตอนนี้ยังไม่เคยเห็นไม่เป็นไรอีกหน่อยก็เห็นเองนะ่ะ เราก็เห็นนะกิเลสส่วนลึกถูกทําลายล้างออกไปนะจิตเข้าถึงความบริสุทธิ์เข้าถึงความหลุดพ้นมีความสุขอันมหาศาลขึ้นมาเราจะเห็นด้วยตัวเราเองนะเพราะฉะั้นช่วยตัวเองให้มากเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีนะแล้วก็ช่วยตัวเองให้มากสังเกตเอาใช้ความสังเกตเอานะก็ะะจะพัฒนาได้งั้นจะมาท่องเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปรรีจะบรรลุไม่บรรลุหรอกงั้นทํานะโดเฉพาะมีศี่ห้า คิดถึงการปฏิบัติไว้นะภาคเพียรทุกวันต้องทำํทำทําก็ไม่โลบมากไม่หวังผลทําเต็มที่แล้วได้ผลแค่ไหนก็พอใจวันนี้สามารถรักษาศีลได้แล้วแต่ก่อนรักษาไม่ได้ก็พอใจแต่ก่อนจิตใจไม่เคยกระอยู่ก็ น, นึนกว่าตัวเดี๋ยวนี้อยู่แล้วพอใจนะแต่ว่าถ้าพอใจอยู่แค่นี้หลายๆปีถือว่าใช้ไม่ได้ความดีอยู่กับที่ย่ำเท้าอยู่กับที่ใช้ไม่ได้ ไม่เคยแยกธาตุแยกขันได้เดี๋ยวนี้แยกได้แล้วน่าพอใจนะั้นเวลาส่งกันบ้านนะถ้าไปฟังซีดีส่งกันบ้านให้เดียจะเต็มไปด้วยคำว่าดีเวลาหลวพ่อตอบดีดีดนะไอ้คนนีเคยฆ่าคนทุกวันเลยวันนี้มันไม่ฆ่าเออดีนะมันดีนะมันดีตามชั้นตามภูมินะอย่างบางคนมาถามตั้งโจทย์หลอกๆมานะพักพวกส่งมามาถามนะไปฝึกสมาธิพิลึกมา แต่ว่าทางนี้จิตสงบจิตดีจิตรู้เน้อรู้ตัวขึ้นมาเนะี่ยบอกว่าที่ภาวนาอยู่ตอนนี้ใช้ได้ไหมเราดูแต่ก่อนฟุ้งกว่านี้เยอะเลยเดี๋ยวนี้สงบกว่าเก่าเออดีก็เลยบอกว่าไปฝึกสมาธิพิลึกนั่นแนหะถูกต้องอยงนี้แอบห้างนะอย่างนี้เป็นการแอบอ้างนะที่วระหลวงพ่ะว่าดีดีนะมันดีตามลําดับนะไม่ใช่ว่าดีตอนกอกไก่แล้วมันจะดีที่หอดอกผูกด้วยนะเดี๋ยวเราจะได้ฟังคําว่าดีแล้วละ่ะถึงเวลาแล้ว <laughs> อ้าวส่งกันป้านครับนรรส ก, การหลวงพ่อเจากาปกติเคยฟังลูกสาวเคยเปิดซีดีของหลวงพ่อให้ฟังเป็นประจำค่ะแต่ก่อนก็รู้สึกตัวได้บ้างค่ะเวลาบางทีจิตเผลอก็รู้สึกตัวขึ้นมาอย่างเวลาโมโหอย่างนี้ก็เคยรู้สึกตัวกันพอดีดมาระยะตอนหลังนะคะ ใช่ไหมโมโหเรารู้ดีแต่ก่อนที่บ้านจะไม่เปิดทีวีดูนะเจ้าค่ะเพราะว่าลูกสาวก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสั่งสอนอยู่แต่พอดีพอถึงระยะที่ว่าบ้านเมืองไม่สงบก็เปิดทีวีดูข่าวการเมืองค่ะตอนนั้นน่ะโยมหลุดไปเลยอะค่ะไม่ไม่ค่อยจะรู้สึกตัวโธรรมดานะอเผลอไปตลอดเออเพราะเราไปยินกับเรื่องราวภายนอก แต่ว่าเราเป็นพลเมืองน ะ, ะถึงคราวจาเป็นต้องดูแลบ้านเมืองก็ต้องดูแล right? ก็ต้องแบ่งหน้าที่เราไม่ได้มีหน้าที่อันเดียวไม่ได้มีหมวกใบเดียวว่าเราเป็นชาวพูดอย่างเดียวเราก็เป็นคนไทยด้วยในฐานะคนไทยต้องทําอะไรเราก็ต้องทําในฐานะลูกต้องทําอะไรเราก็ต้องทํา <LI tunnel folk> ในฐานะพ่อแม่ต้องทําอะไรเราก็ต้องทําำนั้นแต่ละคนมีหน้าที่หลากหลายแล้วก็ดูจัดสมดุลให้ดีนะ ดูการเมืองดูอะไรจำเป็นต้องรู้แต่รู้แล้วทําไงจะไม่ยินเท่า น, นั้นแหละปกติโยมเป็นคนที่ขี้โมโหมากค่ะบางทีเวลาลูกสวมดมนต์ตอนเช้าแม่แม่เข้าครัวลูกก็สวมดมนต์อยู่ในห้องพระค่ะพอดีเพื่อนบ้านอะคะ่ะเขาจะเล่นกับหมาเขาเลื่ตาวาดหมาดังไปดังลั่นไปทั่วเข้ามาในในในบ้านของโยมจ้ะค่ะ <ừ> บางทีโยมโกรธมากอยากจะวิ่งออกไปด่าเขาเนะะี่ยค่ะพอดีก็ มีสติรู้สึกตัวขึ้นมาได้ว่าเนี่ยเราหลุดไปแล้วจากเนี้ยดีเลยอยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อว่าลูกควรปฏิบัติอย่างไงเจ้าค่ะถ้าโยมมาได้ดีแล้วนะก็ต้องดีต่อไปอีกคอยรู้เท่าทันจิตใจของเราไปเรื่อยคนขี้โมโหนะภาวนาง่ายนะเพราะมันเห็นง่ายเจ้าค่ะสังเกตไหมเวลาความโกรธเกิดขึ้นใจไม่ช่ําชื่นงุหงุดหงิดใจกือดัดนะมันดูง่ายเพราะงั้นต่อไป ความโกรธผุดขึ้นมาเราก็รู้เราก็เห็นความโกรธมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปตอนแรกลูกเปิดซีดีให้ฟังครั้งแรกๆนะเจ้าคะก็โอ้รู้สึกจลูกจะฟังไม่ค่อยเข้าใจอะคะ่ะธรรมดานะเพราะว่า อ, อยู่ต่างจังหวัดไม่ไม่ไม่เคยฟัง วิธีสอนแบบปฏิบัติอย่างนี้หให้รู้สึกตัวให้มีสติรู้สึกตัวเจ้ค่ะ<ห>รู้รู้แต่ว่าทําบุญใส่บาตรอย่างเดียวค่ะ<ห>แต่พอได้มาฟังซีดีของหลวงพ่อที่ลูกเปิดให้ฟังเป็นประจําก็รู้สึกดีขึ้นแล้วอยากจะไปปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสั่งสอนนะเจ้าค่ะนะแต่ว่าลูกจะปฏิบัตินะได้ไปไปถึงไหนก็ไม่ทราบให้เจ้าค่ะเพราะว่าลูกยังยังหลุดมากอะคะ่ะไม่ก็จะมีสติบางครั้งเราเราก็ได้เท่าที่เทราเราได้แหละยัค่ะเราทําเต็มที่เท่าที่เราทําได้ นะดีแล้วล่ะเดีย๋ยวค่ะอ้าต่อไปอเห็นไหม <ขอ S 1> หลายงลงดีแล้วนะออย่างบอกโกรธแล้ว ร, รู้ว่าโกรธ ด, ดีอย่างเนี้ยรับรองว่าเป็นโสดายัางคนละเรื่องอเห็นไหมเราอ้าวต่อไปอยู่ที่ไหนล่ะกราบนมัสการจะส่งการบ้านนะคะว่ า, าจิตเข้าบ้านหรือว่าถึงฐานบ้างไหมคะ เราเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันกัน <Okay. S 1> เคยเห็นไหม <Okay. S 1> ตอนที่เห็นนะตัวที่ไม่ได้เจตนานจะเห็นนะจิตต้องถึงฐานแน่นอน mm hmm. ถ้าจิตไม่ถึงฐานนะ่ะขันไม่แยกหรอกแต่การถึงฐานเนี่ยมีสองแบบนะแบบที่เป็นธรรมชาติใจสบายอย่างนี้ใช้ได้ก็ถึงแบบรั้งเอาไวนะ้เงี้ยอย่างนี้ก็ถึงเหมือนกันนะแต่ว่าถึกแบบแข็งๆอย่างนี้ไม่เอา ให้มสบายๆรู้สึกไปสบายๆเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ไปตอนนี้ไปคิดหรือยังค่ะเออใจหนีไปคิดเยเรารู้ทันว่าใจหนีไปคิดเราก็จะรู้สึกตัวจิตก็เข้าฐานแต่เข้าแว บ, บเดียวมันจะเข้าทีละขณะทีละขณะนะเป็นช่วงสั้นๆเรียกว่าคณิกะสมาธิมันไม่ใช่สมาธิแบบทรงยาวๆอย่างอัปปนาสมาธิใจหนีไปคิดหรือยังค่ะเออเนี่ยอย่างเนี้ยรู้ไปเรืย ใจหนีไปคิดเรารู้ใจหนีไปคิดเรารู้นะแล้วใจนี้มันจะตั้งมั่นขึ้นมามันจะถึงฐานปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมคะชีโมโหไหมก็ร้ายเหมือนกันนะให้รู้ทันนะคนโมโหมากอ่ะดีดูง่ายหลวงพ่อคะแล้วถ้าเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยถ้าภายนอกมันอึดกระทึกเนี่ยมันจะได้ประโยชนมัหยคะได้อย่างน้อยเราตั้งใจว่าจะเดินทุกวันอ เขามาเล่นง you know, work. ิ้วอยู่ข้างบ้านเราเราก็ยังเดินอย่างน้อยเราก็ได้อธิฐานะบารมีตั้งใจจะทำดีแล้วยังไงก็ไม่เลิกได้ดีตลอดอ่ะกลับขอบพระคุณค่ะเดินไปโกรธไปเดินไปโกรธไปก็ยังดีเห็นไหมหลวงพ่อดีดีหมดแล้วขอให้ทาก็แล้วกันมันไม่ได้อย่างนี้มันก็ได้อย่างอื่นไม่ได้สมาธิวุ่นวายหนวกหูเรา แต่เราได้ได้การตั้งใจแล้วเราทำจริงนี่อธิฐานนะบารมนะีนยมันก็ได้อย่างอื่นกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเป็นครั้งแรกของลูกเจ้าค่ะลูกขอความเมตตาแนะนำลูกแล้วก็ให้การบ้านลูกด้วยเจ้าค่ะเอเอางั้นเลยเหรอเนี่ยหลวงพ่อแน้มาสี่สิบห้านาทีแล้วนะได้อะไรไปบ้างอะ รู้จักใจลอยไหมรู้จักเจ้าค่ะใจลอยบ่อยไหมก็บ่อยเจ้าค่ะเออบ่อยดีนะอย่าให้นานนะค่ะใจใจลอยทีละกี่นาทีบางครั้งก็หลายนาทีเหมือนกันเจ้าค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นนานไปต้องแบบเพศใจลอยแล้วก็รู้สึกใจลอยแล้วรู้สึกนะต้องซ้อมนะเจ้าค่ะต้องซ้อมทุกวันต้องซ้อมไห้พุทโธพุทโธไปก็ได้พุทโธพุทโธแล้วใจหนีไปจากพุทโธแล้วรู้ทัน ทำมาพุทโธอีกพุทโธพุทโ ธ, ทธเล่นๆใจหนีอีกเรารู้ค่ะตรงนี้สําคัญนะแต่ไม่ใช่พุทโธเพื่อให้ใจนิ่งๆล้วพุทโธเพื่อให้ใจอยู่กับที่นิ่งเฉยอันนั้นไม่ดีเท่าไหร่สู้พุทโธพุทโธแล้วใจหนีไปแล้วเรารู้ทันไม่ได้ค่ะไปฝึก อ, อย่างนี้นะจะได้พื้นฐานที่เข้มแข็งขึ้นกราบธรรมส ก, การ์หลวงพ่อเจ้าค่ะครบรอบสองปีไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมานานแล้ว การภาวนาตั้งแต่เจ็ดปีแล้วนะคะหลวงพ่อที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมว่าตอนนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันเปลี่ยนไปมากเจ้าค่ะหลวงพ่อเปลี่ยนไปมากแล้วรู้ไหมว่ามันเปลี่ยนรู้ไหมว่ามันดีขึ้นรู้ค่ะเห็นไหมกิเลสกระจายเป็นโคราชใช่ค่ะหนูเห็นไหมตัวอย่างชั่วคราวเห็นค่ะหนูเพิ่งรู้ชัดว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา มันเหมือนจะยอมรับและทุกสิ่งทุกอย่างทั้งความสุขความทุกข์มันไม่ได้เกาะกินเราเหมือนอย่างก<ม>่อนเลยอ<ม>หนูปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนทุกอย่างเหมือนที่หนูเคยรับปากกับหลวงพ่อไว้<ม>หนูสวดมนต์วันละชั่วโมงครึ่ง<ม>เดินจงกรมเมื่ อ, อยามว่างภาวนาในชีวิตประจําวันตลอดทั้งวันมมมไม่เคยพักเลยค่ะแล้วก็อยากได้ผลไหมได้ผลหนูเห็นว่ากายใจ อธิจังทุกขังอนัตตาใจรักไม่เที่ยงไม่ไม่มีอยู่จริงบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเห็นชัดมากจนบางครั้งเดินเนี่ยมันจะรู้สึกอุ้ยมันไม่ใช่ตัวเรามันเหมือนกับจะหลุดอะไรสักอย่างแต่มันไม่ใช่ตรงที่มันรู้สึกขึ้นแวบเดียวนั้นะอันนั้นนอะใช่นะแต่ถ้ามันยาวกว่านั้นะจะเป็นการคิดเราเนี่ยงั้นความจริงเวลาเกิดขึ้นกับจิตจะเกิดชั่วแวบเดียวเท่านั้นแหะ มันรู้สึกขึ้นมาคอย่างพยักหน้าเนี่ยอยู่รู้สึกขึ้นมาปิ้งขึ้นมานะเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่เราหรอกมันจะรู้สึกเองเวลาแปลงฟันเขาจะเห็นว่าร่างกายสกรปรกเขาจะปิ้งขึ้นมาแล้วแบบมันแบบโอ้ร่างมันไม่มีตัวทนอะไรเวลาอานะบน้ำนะคะ่ะเออแต่ว่าเวลาที่เราเห็นสภาวะแล้วนะเราอย่าไปอินกับมันคอย่าไปอินกับความรู้สึกนะ อ, อย่ังอินอยู่ รู้สึกหต้องรู้ทันเลยมากเกลียดอะไรเงี้ยนะใเจ้าค่ะเออให้รู้ทันต้องรู้ทันเคะเออนะใจยังอินอยู่ค่ะพอเราไปเห็นไม่เที่ยงนะมันก็อินกับมันเห็นสกปรกก็ไปอินกับมันค่ะใจยังไม่เป็นกลางยังไม่เป็นกลางตรงนี้นะคะแล้วเวลาที่คนอื่นเขาว่าเราเขาว่าเราแรงแงหนู ไม่มีความที่จะไปเป็นอะไรกับเขาเลยนะคะจนแม่แม่หนูที่ส่งกันบ้านเมื่อกี้อะค่ะแม่บอกว่าทําไมลูกเป็นแบบนี้แล้วหนูบอกว่าที่หนูเป็นแบบนี้เพราะหลวงพ่อสอนหนูเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าทําให้หนูเปลี่ยนค่ะอืมเนี่ยเรายินอีกแล้วกับปีติรู้สึกไหมหนูเป็นเต้องชื่อหนูอินแล้วนะเนี่ยเราคอยรู้ทันเวลาใจเป็นอินนะกับปีติก็รู้นะค่ะ ได้อีกไปดีแล้วกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะขอถวายการปฏิบัตินี้แด่พระพุทธเจ้าและแด่หลวงพ่อเจ้าค่ะตลอดชั่วชีวิตนี้หนูจะทำการพัฒนาจนตายเลยค่ะเอนะอย่าอยากได้ผลนะแล้วก็อย่าอินเจ้าค่ะขอบคุณค่ะกราบในมรดกการหลวงพ่อครับผมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับส่งการบ้านครั้งที่สองครับส่งครั้งแรกส่งที่เชียงใหม่ครับผม ก็จะคอยรู้สึกกายส่วนใหญ่ครับเวลากายเคลื่อนไหวก็จะมีสติและเลือกรู้เองครับถูกแล้วแล้วก็ตื่น <laughs> เต้นครับเอเมนตื่นเต้นความรู้สึกเหมือนตื่นเต้นเราก็รู้ใช่ไหมครับร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้จิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็รู้นะที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้นะน่ะครับหลวงพ่อเราผมมีคําถามว่าก็ใน บางครั้งเวลาเรากระทบอารมณ์แล้วเรามีสติและเลือกรู้เองใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราไม่กล้าตัดสินใจว่าสิ่งที่เรารู้นันคืออะไรแต่มันมีความรู้สึกว่าจิตไตรงจิตมันเปลี่ยนไปนครับเราเราก็แค่รู้ไปอย่างนั้นใช่ใชครับรู้นะสำคัญนะแ ต, แต่ว่ารู้ว่ารู้อะไรเนะี่ยไม่สำคัญหรอกอสำคัญที่รู้ไม่ใช่สำคัญที่รู้อะไร เพราะว่าไม่ว่าจะรู้อะไรทุกอย่างก็แสดงไตรลักษณ์หลวงพ่อมีการบ้างอะไรเพิ่มเติมหมครัไปฟืออ้นทาถูกละล้วก็คือทําในรูปแบบเดิมเลยใช่ไหมครับรู้จักจิตออกนอกอยังจิตเข้าไปถึงฐานดูออกไหม อ, อ๋อยัอยงนะครับจิตขนาดนี้ถึงฐานไหมหรือจิตอยู่ข้างนอกผมคิดว่าถึงถึ ง, ถ, งถึงฐานเปล่าครับคือมันมคือมันมีความไม่แน่ใจยอยู่ต่อเพราะ หนึ่งนี่ผมกลัวผมคิดไปเองอะครับลองอันนี้ซิเอาความรู้สึกตัวนะจับไว้ที่ลมหายใจแล้วก็หายใจเอาลมหายใจเข้ามาในตัวเราหายใจเอาความรู้สึกกลับเข้ามาพอละแค่นั้นพอละรู้สึกไหมเมื่อกี้มันอยู่ข้างนอกนะขนาดนี้ถึงเมื่อกี้นี้อ๋อครับนะนี่เราหายใจเอาความรู้สึกตัวกลับเข้ามาแนละ้วครับนะมันไม่เหมือนกันนะ เันถ้าใจเราอยู่ข้างนอกนะจะเห็นทุกอย่างแสดงใจรักหมดเลยแตใจนี่สบายเพลินๆไปเรื่อยๆอ๋อครับถ้าอย่างเนี้ยใจจะเริ่มเห็นทุกข์แล้วครับรู้สึกไหมมันกลับเข้ามาในตัวเราครับครับเอออย่างนี้แหละเรียกว่าใจไม่ได้ออกไปข้างนอกอ๋อครับผมแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้เราก็อย่าไปบังคับนะครับอออกไปอีกเราก็รู้เอาใหม่ว่าออกแล้วต่อไปนี้เราจะจําได้แล้วว่าฉิดออกไปยังไงเราแค่รู้ว่าออกแล้วมันจะเข้ามาเอง อย่ารักษาให้อยู่ภายในตลอดนะถ้ารักษาไว้จะอึดอัดเลยครับผมสรุปได้อย่างสรุปได้อย่างว่าตอนหลวงพ่อถามทีแรกนะจิตถึงฐานไหมก็จิตอยู่ข้างนอกอ๋อแล้วครับครับเห็นทุกข์ไหมตอนนี้ตอนนี้รู้สึกร่างกายนั่งนั่งอยู่เนี่ยเห็นไหมจะค่อยมารู้สึกแล้ว มันจะไม่กระจายมันจะกระจายกว้างๆใจจะมีแต่ความสุขนะถ้าก ร, ระจายออกนอกไปจะมีแต่ความสุขเห็นอย่างอื่นไม่เที่ยงหมดเลยแต่เนี่ยสุขอยู่เงี้ยเคลินสบายไปเรืยนะจะชา้ชาเสียเวลาอ๋อครับแต่อยู่ข้างในก็อย่าบังคับนะครับออกข้างนอกเรารู้ออกข้างนอกเรารู้แค่นั้นพออย่ารักษาไว้ภายในครับครับผมขอต่อไ ป, อไปเป็นปฏิบปปูชาครับเออสาธุ ครับการมรสการครับผมติดเรื่องของการคิดต่อเนื่องเรื่อยๆการอะไรนะคิดต่อเนื่องแบบฟุ้งซ่านเรื่อยครับผมคิดเหรอใช่ครับใครเขาก็คิดต่อเนื่องทั้งวันเลยเหมือนกันทุกคนเลยไม่เฉพาะคุณคนเดียวที่คิดทั้งวันคุณลองถามไปถามใครสักคนก็ได้ว่าคิดทั้งวันไหมเราคงคิดทั้งวันดังนั้นเราไม่ได้ห้ามใจที่คิดนะเรางปู่ดูลวิทคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ต้องอาศัยคิด เมื่อเราปล่อยให้ใจมันคิดไปแต่ถ้าใจมันคิดแล้วเกิดสุขให้รู้เราจะเห็นว่าสุขก็อยู่ชั่วคราวใจมันคิดไปแล้วเกิดทุกข์ให้รู้ก็เห็นว่าทุกข์อยู่ชั่วคราวใจมันคิดไปเกิดกุศลใจมันคิดไปเกิดโลภโกรดหลงเราก็เห็นอีกนะว่ากุศลหรือโลภโกรดหลงก็อยู่ชั่วคราวอย่างนี้ถือได้ว่าเดินปัญญานะถ้าไปห้ามใจห้ามคิดห้ามคิดนี่ไม่ได้ใจจะว่างๆเฉยๆไม่เดินปัญญาจริง อย่างเนี้ยใจถลำไปคิดแล้วรู้สึกไหมครับค<จ>รัคู้สึกครับเนี่ยอย่างนี้ใช้ได้สังเกตไหมตรงที่เรารู้ทันว่าใจถลำไปคิดเราตื่นขึ้นมานะใจมันแช่มชื้นขึ้นมานะใจมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแวบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราคอยรู้ทันเวลาใจมันไหลใจไหลไปคิดรู้ทันเนี่ยไหลไปคิดแล้วยังตอนเนี้ยตอนนี้ไหลนะครับเออเนี่ยหานตัวอย่างนี้นะเพนั้นเราอยู่กับร่างกายก็ได้อยู่กับอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะ แล้วพอใจเราไหลไปคิดเรารู้ไวๆถ้าเราฝึกทุกวันทุกวันใจไหลไปคิดเรารู้ไหลไปคิดเรารู้เนี่ยต่อไปจิตเคลื่อนปุ๊บจะดีดตัวขึ้นตั้งมั่นเองเลยแล้วจะเห็นขันมันแยกออกไปครับที่ฝึกอยู่ก็ใช้ได้แล้วละ่ะนะครับขอบคุณครับรู้สึกไหมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนการบ้านในรอบหนึ่งปีนะเจ้าคะ่ะหนึ่งปีเฉลีหลวลงพ่อบอกว่า ให้ระวังวิปัสสนูว่าจะไปติดว่างๆลงๆที่นี้หนูก็คิดว่าปีเนี้ยยังไม่ติดอะค่ะไม่ติดแต่พอดีว่าไปเจอว่างตัวหนึ่งตอนนั่งฟังธรรมเมื่อเดือนที่แล้วคือว่ามันเห็นว่ามันมีอะค่ะแต่จริงมันไม่มีคือหนูก็อยู่ในนั้นแต่หนูก็ไม่มีคือมันมันเหมือนเป็นว่างที่แบบไม่มีสุขไม่มีทุกไม่มีอะไรเลยเพอเห็นเสร็จจิตมันก็ฮะมันมีแค่นี้เหรอ แล้วแต่ทุกอย่างมันเกิดแบบเซี่ยววินาทีนะเจ้าคะอันนั้นอันนั้นยังเป็นพบอีกพบหนึ่งนะค<ะ>่ะไม่ใช่มหาสุญญตาคร<ะ>ับค่ะนี่มันก็เป็นพบว่างๆแล้วเดี๋ยวไม่นานพบนั้นก็ตายไป<ะ>ค่ะเกิดเป็นพบที่วุ่นวายขึ้นมาแทนแล้วสลับไปเรื่อยๆเราก็แค่เห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดได้ก็ดับได้สภาวะทั้งหลายบังคับไม่ได้น ะ, ะดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีหนูภานานดีขึ้นตั้งเยอะเลย ไม่งานหนูจะไปไปเดี่ยวคิดคิดคิดไปเลื่อยนะใช้ได้แล้วแล้วก็มีข้อสองคือว่าพอมาปีเนี้ยค่ะรู้สึกจิตมันวัยอะค่ะมันบางทีมันไปเห็นอีกคนอื่นแล้วอย่างล่าสุดมันไปเห็นนาคนนิดนึงคือตอนบอลโลกอะค่ะหนูก็เห็นว่าตอนเปิดบอลโลกมาหนูก็เห็นว่าเฮ้ยหนูเห็นว่าเยอรมันจะได้เป็นแชมป์ทีนี้หนูก็แบบว่าแล้วมันได้เป็นแชมป์จริงอะเจ้วค่ะหนูก็เอ้ย แล้วพอตอนดูในเกมหนูก็เห็นมันจะชนะหนึ่งศูนย์ด้วยแล้วก็บกวมันชนะหนึ่งศูนย์จริงหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันกลัว<ะ>ว่ามันจะเป็นอัตราเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะปิดช่องทางนี้ได้หรื อ, อเปล่าอย่าไปเชื่อมันค<า>ง่ายๆเลยคืออย่าเชื่อมันคเ<า>มื่อก่อนหลวงพ่อได้จากครูบาจารย์องค์หนึ่งนะเป็นลูกศรริษย์หลวงปู่ศิมชื่ออาจารย์ทองอินรค<า>อยู่วัดสันติธรรมสิ้นไปแล้วที่ท่านตอนหนุ่มๆเนี่ยนะออกไปเดินทุดงไปอยู่ในถ้ำแล้วนั่งสมาธิไปเรื่อยๆนะ ชาวบ้านก็ชอามาถามเห็นพระกรรมฐ า, ามนะ้วแค่เห็นเลขไหมไม่เห็น <c oughs> บอกไม่เห็นนะวันนั้นมานั่งสมาธิในถ้านะมองไปที่ผนังถานะ้าเนี่ยเห็นเลขขึ้นหกตัวขึ้นหกตัวนะไม่ใค่ขึ้นสองสามตัวนะก็ะจําไหมพอ ร, รุ่งเช้าชาวบ้านมาถามเห็นเลขไหมเห็นเห็นหกตัวบอกไปเลยหกตัวชาวบ้านเอยไม่ซื้อหรอกนะใครไปซื้อเลขหกตัวนี้คง ม, มั่วๆพระนี่เชื่อไม่ได้ วันเป็นรางวัลที่หนึ่งนะไม่มีใครซื้อเลยเนะีชาวบ้านก็แตกตื่นมานะมาหาท่านคราวนี้มากันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเลย <c oughs> มามาถามอีกว่าเห็นเลขอีกยังยังยังวันนี้ยังไม่เห็นก็กลับไปงนะวันใกล้หวยจะออก <c oughs> เห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตัวไหนบ้างเห็นหกตัวเนะี่ยเห็นทีละหกตัวนะไม่ใช่กระจอกนะอ <c oughs> โอยชาวบ้านนะถูกหวยทั้งหมู่บ้านเลย ร่ำรือกันไปทั้งจังหวัดเลยเขานี้นะไอ้เจ้ามือหวยจะมาฆ่าท่านเอานะท่านก็ชัดปลอดปอดเจ้ามือเหมือนกันนะแต่ชาวบ้านเขาบอกไม่ต้องกลัวชาวบ้านคุ้มครองมา <laughs> <laughs> <laughs> ค้นประโยชน์ประโยชน์สำคัญประสิ่ง์ใดมันล้อมถ้ำไว้ชาวบ้านนะะมาถามอีกวันนี้เห็นไหมวันที่สามเห็นหกตัว วิชาบานนะทุ่มซื้อกันเต็มเหนียวเลยนะเนี่ยท่านเกิดใจคอไม่ดีนะท่านออกจากถ้ำนั้นกลับมาหาขูบาจจักรหกตัวนี้ไม่ถูกสักตัวเลยเพราะนั้นที่หนูเห็นนอย่าเชื่อนะท่านหนูไปบอกเยอรมันชนะขราวต่อไปไปบอกว่าไทยแลนด์ชนะอะไรเนี่ยผิดแน่นอนแต่ไออย่างพวกจิตวัยนี้เราปิดช่องทางไม่ได้ใช่ไหมคะให้รู้ั่ถ้าสนใจจะยิงย่งไวค่ะ ถ้าไม่สนใจเดี๋ยวมันก็หายไปคือเราไม่ต้องไปให้ค่าอะไรเดี๋ยวไปให้ค่าแต่หนูว่าภูมิใจค่ะใช่ใช่หนูเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันเริ่มอันตาจุกก็เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเผ้าหลงห้องมันจะเป็นวิบากถ้าเกิดไปเป็นวิบากนะคเอเราไปเบียดเบียนเจ้ามือหวยการนมัสการครับผมเนี้ยเออเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนโง่ครับอแล้วก็คิดว่า ความสุขเนี่ยไม่มีหรอกความสุขเนี่ยเป็นความสุขที่คิดเอาความสุขจริงๆนะคือการรู้เอาการ<ม>รู้เอาการร <ยม S 1> ู้เอาโยมเป็นควมเอาง่ายๆเลยนะต้องรู้สึกตัวไวไปรู้สึกตัวงั้นสังเกตไหมตอนที่โยมเล่าเนี่ยมันเริ่มเพลินมันมีความสุขที่ได้คุยนะ ใจมันจะไหล ๆ, ๆ, ๆ, ๆไปเพลินๆเรารต้องไม่ยอมแพ้มันะไม่ยอมติดมันไม่ติดรสชาติของความสุขอันนี้ครัเอาว่ามาเราไม่รู้ไปว่าเอความสุขทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอ่มันมันเกิดจากเกียรติและที่จริงอ่ะมันไม่ใช่ความสุขจริงอืถูกความสุขจริงๆนะคือความสุขที่เกิดจากการรู้กายรู้ใจรู้ธาตุรู้ขัน มากกว่าครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมองมองดูแล้วที่กิงไม่มีคนอืโยเห็นไหมตอนเนี้ยใจเราเคลิมไปอีกแล้วคนไม่มีคนเกิดจากรู้สึกไหมใจเราเคลิมไปเราเพลินใจเราเพลินไปในการพูดแล้วรู้สึกไหมครับครับต้องไม่ให้เพลินครับอย่าไปติดความสุขจากการคิดธรรมะครับรู้สึกตัวหายใจแรงแรงเอารู้สึกตัวไว้นะ เคยรู้จักเจ้าคุณนอไหม <c oughs> เคยได้ยินชื่อไหมไม่เคยครับเออเจ้าคุณนอพาวนาเก่งนะบางคนยกย่องเป็นพระอรหันต์ในเมือง <c oughs> อยู่วัดเทพศรินนะท่านบอกของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงนะดังนั้นธรรมะเนี่ยเราไม่พูยเรารู้รู้ระวางรู้ระวางนะถ้าเราพูดปุ๊บเราจะเผลอเราจะไหลไหลไหลไปใ น, นโลกของความคิดของธรรมะ เราต้องไม่ให้เฟื่องใช้แข็งแข็งไว้ครับในมรดกการหลวงพ่อครับผมเองเคยมาพบหลวงพ่อเมื่อหลายปีที่แล้วแต่ก็ตะหนักได้ว่าที่ผ่านมาเพียงแค่สักแต่ว่ามาครับสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้รู้สึกว่าตัวเองมีความรู้สึกตื่นรู้ดีมากขึ้นใช่ดีครับแล้วก็ สารภาพกับมันตัวเองมันก็ไม่เสียหลายหรอกนะที่มาเรื่อยเปื่อยไปทีแรกๆนะมันก็สะสมนะครับใครบุญบารมีเรามันพอขึ้นมานะมันก็พัฒนาขึ้นมาตื่นขึ้นมาได้ครับที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าสารภาพบาปกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวและคนที่รักไปแบบหมดเปลือกนะครับแล้วก็เห็นกิเลสเห็นความทุกข์เยอะมากจากแน่ดี ดีแต่อดีจบไปแล้วนะรเรามีชีวิตใหม่แล้วก็นปัจจุบันก็จะปรารบความเพียร<ม>แล้วก็มีสันทะในการทาความดีมเราเป็นความชั่วสาธุสาธุนะอย่างนี้ดีคิดถูกก็นับปัจจุบันเองก็ดูเหมือนไม่ได้มีคำถามอะไรแล้วก็มองเห็นภาพรว ม, มเข้าใจใน ธรรมะที่แท้จริงตอนนี้ก็มุ่งมั่นในการปฏิบัติแล้วก็เจริญภาวนาอยู่ในทุกขณะจิตนะครับรู้กายบ้างรู้ใจบ้างอย่างเมื่อสักครู่ที่สี่สิบห้าหรือหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้กายว่าหูเนี่ยก็ได้ยินนกตลอดเวลาอยู่ข้างบนหัวแล้วไปอยู่ทางด้านซ้ายไปอยู่ทางด้านขวา แล้วก็กลับมาแต่ในขณะบางขณะที่ฟังหลวงพ่อก็ไม่ได้ยินเสียงนก hmm. ก็รู้สึกว่าใจกำลังนั่งฟังในสิ่ง hmm. ทีเ่เราฟังอยู่แล้วก็รู้ว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราฟังแต่ก็คงจะมีหลายๆครั้งที่เผลอ hmm. นะครับแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่มีความกุดหงิดง่าย รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีโทสะค่อนข้างเยอะแล้วก็โมหะอาจจะรวมถึงราคะด้วยทั้งสามตัวเลยพระพจน์พอได้เริ่มปฏิบัติด้วยความเข้าใจแล้วก็ด้วยความไม่เร่งรีบปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็ไม่มีพิธีรีอตองก็รู้สึกว่าใจนี้สบายแต่ต่อไประยะยาวนะควรจะทำในรูปแบบด้วย จะช่วยเพิ่มพลังของจิตนะถ้าเราทำในชีวิตประจาวันรวดไปเลยนานๆาเนี่ยจิตจะหมดแรงจะรู้ได้ไม่ชัดครับณปัจจุบันดูเหมือนทุกอย่างมันคล้ายจะชัดแต่มันไม่ค่อยชัดมันยังไม่พอครับมันดูเหมือนคล้ายๆกับที่ท่านพูดว่าเหมือนกับจิตมันยังไม่มีพลังมันยังไม่มีพลังมากพอเพียงแต่รู้สึกว่าปัญญานี้มันจาแจ้ง ขึ้นแล้วก็ในหลายๆครั้งก็รู้สึกตัวแล้วก็เห็นว่าตัวกูนี่เก่งเก่งกว่าแน่ดีเยอะแล้วก็พยายามที่จะแต่ก็เห็นว่าเก่งอืแต่ก็เห็นว่าเก่งแล้วก็หายไปในหลายๆครั้งที่จิตเกิดอกุศลก็เห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปอ <c oughs> ในบางครั้งดับไปด้วยความรวดเร็วอ <c oughs> ในบางครั้งดับไปด้วยความล่าช้า <c oughs> เราไม่บังคับหรอกนะครับค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปครับดีมันมีพัฒนาการที่ขึนมาก็ดีแล้วล่ะครับก็อยากจะกราบขอบคุณหลวงพ่อที่ให้ชีวิตใหม่กับตัวกบผมครับขอบคุณโยมด้วยนะที่เอาสิ่งที่หลวงพ่อสอนไปทำครับขอบคุณครับต่อไป <c oughs> แล้วเราสอนแล้วไม่มีคนทำนะ ถ้าพักเดียวเราก็เลิกสอนไปสอนต้นกล้วยที่วัดดีกว่ากลับน้ำมัศกาลค่ะหลวงพ่อส่งการบ้านครั้งแรกนะคะก็เริ่มปฏิบัติจริงจังประมาณสามเดือนนะคะแรกๆเลยเนี่ยมีคนแนะนำนะคะหลวงพ่อว่ากัญยาณมิตรหรือเปล่าอ๋อไม่ค่ะคือไม่ไม่รู้จักคือจริงๆไม่เคยรู้จักหลวงพ่อมาก่อนนะคะ ah> แล้วก็ได้ฟังซีดีที่ทางานอย่างนะะี้ค่ะ ah> ทีนี้ หนูจะติดตรงที่ว่าคิดว่ามันง่ายค่ะคิดว่าอือก็น่าจะลองดูนะแค่รักษาสี่ห้าเนาะแล้วก็รู้สึกตัวใช่แต่พอเอาเข้าจริงๆไม่ได้ค่ะก็เอางี้สิเราอย่าเปได้ร้อยเปอร์เซ็น์เราก็ได้ให้มากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นก็พอละก็มันจะติดอยู่กับคําว่าทําไมตลอดเลยค่ะว่าทําไมเราถึงรู้สึกแบบนี้ทําไมถึงเห็นแบบนี้อะไรเงี้ยให้รู้ทันเลยเวลามันทําไมขึ้นมานะอ๋อกําลังฟุ้งซ่าน ตอกหน้ามันเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วทําไมทําไมก็ทําไมนั่นมันหลอกให้เราคิดต่อใช่ค่ะมันจะคิดไหลไปเรื่อยเลยค่ะใช่เราก็ตอกน้ําเลยเนี่ยฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านท่องใส่มันไปเลยนะพอมันทําไมเราก็ยัดเลยฟุ้งซ่านนะใครจะแน่จะได้ไม่คิดต่อใช่ไหมคะใช่แล้วให้รู้สึกเรานะเราจะเห็นเลยความสงสัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับใช่ไหม ความรู้สึกทุกชนิดอนะเกิดแล้วดับกระทั่งความสงสัยแนละ้เกิดขึ้นมาเราอย่าไปสนองมันให้เรารู้ทันว่ามันสงสัยแล้วว่าทําไมอย่างงั้นทําไมอย่างนี้นนยพอรู้นะมันก็จะดับให้ดูมันเหมือนความโกรธเกิดขึ้นนะ่ะเราไม่ตอบสนองมันเรารู้ทันว่ามันโกรธเดี๋ยวมันก็ดับให้ดูนะแม้เราไม่ตอบสนองกิเลสหรอกแต่เราคอยรู้ทันมันเขารู้ทันไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่ใช่รู้ไปเรื่อขอบพระคุณค่ะ